ตอนนี้ก็ศึกษาในพุทธคุณเราคือคุณของพระพู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทีนี้ในการศึกษาพุทธคุณในคุณของพระพู้มีภาคเจ้าเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราลาดับเกี่ยวในเรื่องความเปินไปของในเรื่องของคำว่าสังสารวัฏเนอะอือลำดับความเป็นไปตรงนี้แหละทีนี้ลาดับแห่งความป็นไปของสังสารวัฏเนี่ยดูที่ไหน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 เบื้องต้นแต่ก่อนก็คือหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้อันบุคคลตามรู้ไม่ได้จะอยู่ต่อมาเน้นขันขันนั้นได้ปารพความเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกปาราโพธิญาณขันห้าคือนามขันสี่นั้นปารพโพธิญาณตั้งอยู่บนรู ป, ปรขันนั่นแหละได้ปารพโพธิญาณขึ้นมาก็เลยบอกว่า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 ความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพระเจ้าไม่พึงเข้าใจอย่างนั้นเหมือนเมื่อพูดว่าพระราชาสเสด็จเนี่ยก็เป็นการผู้กองทัพและยานพานะทั้งปวงก็มาด้วยชั้นใดชันนั้นเหมือนกันถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพยานบัณฑิตย่อมรู้ได้ว่าอารมปขันทั้งสี่กเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธกับพยานและรูปปรขัน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 ตอนนี้ขันของเราท่านทั้งหลายกําลังเดินอยู่นี่สังสารวัตรกาลังเดินอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะพูดเรื่องสังสารวัตรก็พูดในเรื่องอกขัธนธาตุยัญตนะของเราท่านทั้งหลายนี่แหละที่มันกําลังเคลื่อนกันอยู่นี่แหละนะแล้วจะออกอยังไจอองะยายายจะออกเกตาสังาสงารวัตรยังไงจะออกเก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงจะออกจากรูปเวทนาสัญญาทัา้งขานวิญญาณย่ังไงจะออกจากอาญตนะสิบสองยังไงจะออกเกธาตุสิบแปดยังไงจะออกยังไง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 สังวัตกะบกับสังวัตถายีกับวิวัตกะบแล้วก็วิวัตถายีกับใช่ไหมคําว่าสังวัตกับเนี่ยอากาศเบื้องบนและเบื้องล่างมีความมืดทั่วกันหนามากดำรงอยู่ตราบใดนั้นชื่อว่าเดี๋ยวเข้าไปก็คือการเกิดขึ้นเลยนะนับตั้งนะแต่การเกิดมหาเมฆก่อการวิบัติ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 แม้แผ่นดินที่ไม่มีใจเวลามันจะตั้งขึ้นมามันต้องตั้งบูชาเพื่อเป็นที่รองรับของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สร้างบา ร, รมีมาในสังสารวัตรอย่างยาวนานเพื่อมานั่งประทับตรงนั้นเพื่อจะตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมป وري ยาณแผ่นดินไม่มีใจยังคิดบูชาคุณของท่านแล้วเราอะนำ ม, มาทำรูปประธรรมมีเนาะไม่คิดบ้างเลยที่จะน้อมบูชาท่านคิดไหม